มาเถิดท่านผู้ฟังทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่เราจะมาปฏิบัติทำกันถึงเวลาแล้วที่เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ให้รีบลุกขึ้นซะรีบลุกรีบลุกให้มันไวๆเพราะว่าถ้าเรามัวโอเอะอยู่ มัวขอต่ออีกหนาที10นาทีรู้ตัวแล้วก็บิดอยู่นั่นน่ะไม่รู้จักรีบลุกขึ้นนี่อันนี้มันจะเป็นการบ่มเพราะบ่มฟักเป็นอาหารให้เจ้านิวอนคือความขี้เกียจขี้คร้านการหาความสุขในการเองข้าง ประกอบอยู่กับความสุขในการเกลิ่มหลับการหาความสุขประเภทนี้มันเป็นอาหารให้เจ้านิวรนนิวรนคือความง่วงซึมทีนะมิทธะมันจะโตขึ้นนิวรนมันจะเป็นอาหารให้อวิชชาตั้าาัวังอวิชชามันจะเติบโตขึ้นได้ในจิตใจของเราการมึนมีท่าทึบพวกนี้เป็นอวิชชา มีความกลัวมีความหวาดพวกนี้คืออวิชชาที่ถ้าเรามามัวลับไหลขี้เกียจขี้คร้านอยู่เนี่ยอวิชชาในใจของเรามันจะโติขึ้นได้พออวิชามันเติบโตขึ้นมีกำลังพวกนี้มันจะเป็นอาหารให้กับเจ้าตัณหาความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นพวกนี้มันมีอาหาร มาจากเจ้าความกลัวความหวาดคืออวิชชาทำให้ความหวังตัณหาเนี่ยมันโตขึ้นตัณหามันก็จะเป็นเหตุของความทุกข์นี่แหละความทุกข์มีมากสร้างความทุกข์อยู่แล้วจะหวังว่าจะพ้นจากทุกข์มันไม่ได้นะบ๊าวมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายัางมัวหลับไหล ยินดีในการเอนข้างยินดีในการเคลิมหลับขอต่ออีกข้านาที10นาทีอันนี้มันจะเป็นเชื้อเป็นอาหารเป็นเหตุของการที่ทำให้เป็นคนมีธาตุทึบเป็นคนหนาเป็นคนหนักเราจะเอาเจ้าความกี้เกี้ยขี้ครานการขอต่ออีกข้านาที10บนาทีออกไปไม่ได้เลยทัมงหมดถ้าในระหว่างวัน ในวันที่ผ่านผ่านมาเรายังมีการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่กุยเล่นตลกโปกฮาพูดเพ้อเจ้อหรือว่าฆ่าสัตว์ผิดศีลบ้างพวกนี้มันจะเป็นอาหารในเจ้าหนิวอนมีความขี้เกีขี้คร้านดินามิตาอย่างเนี้ยแต่ไ ม, ม่กว่าจะลุกขึ้นเนี่ยมันลุกยากเหลือเกิน นั่นก็แสดงว่าในระหว่างวันยังมีที่ผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้เราจะเอาไอ้เจ้าความผิดพลาดตรงทางกายทางวาจาหรือทางใจออกไปไม่ได้เลยทั้งถ้าในระหว่างวันนั้นเราไม่ได้มีการสารวมอินทรีย์มีภัจด์ใดๆมากระทบไม่ได้จะมีการป้องกันสมรวมอินทรีย์พอไม่ป้องกันไม่สมรวมอินทรีย์ก็เผลอ พูดเน็บบ้างเผลอพูดเพ้อเจ้อบ้างเผลอตามความสุขทั้งตาเพลินไปทางหูไม่ระวังปากพูดไปกินไปไม่มีความระมัดระวังไม่สารวมเราจะเอาความไม่สารวมออกไปไม่ได้เลยทั้งหมดถ้าเราไม่ตั้งสติขึ้นเอาไว้แต่ยังเป็นผู้ดีเพลสติ เป็นผู้ที่ลงลืมสัมปัญญะไม่รู้ตัวทั่วพร้อมจะมีสติขึ้นก็ไม่ได้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีการทำในใจโดยแยบกายไม่ได้มีการทำในใจโดยแยบกายมีปัญญาใคร่ครวนพิจารณาอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรไม่ดีก็ไม่ทำอะไรดีก็ทำมันจะไคร่กรวนไปไม่ได้เลยจะรู้เห็นความจริง ไปไม่ได้เลยถ้าบอกว่าไม่ได้มีศรัทธาในทางคำสอนของพุท ธ, ธะคนเรามันอาจจะมีศรัทธาแบบหัวเต่าศรัทธาแบบอ้อนวอนขอร้องศรัทธาแบบลูบลุบคลำคลำไม่ได้จริงจังขอไปทีลักษณะศรัทธาแบบนี้เราจะละไม่ได้เลยเราจะกําจัดออกไปไม่ได้เลย ถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีการฟังธรรมที่ถูกต้องถ้าเบิด์มีการฟังธรรมที่ถูกต้องดีงามเราจะสร้างสมศรัท ธ, ธาที่ดีได้แต่เราจะไม่ได้ฟังธรรมะที่ดีๆหรอกท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ได้คบกับสับรุษอย่างั้ท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะจากรายการนี้ก็ตามหรือรายการไหนๆก็ตามคนพูดเขาก็พูดไปใช่ไ ถ้าเราไม่ได้ฟังโดยเคารพไม่ได้คิดว่าจะเอื้อเฟื้อเชื่อฟังบุคคลที่พูดเนี่ยก็ถือว่าคุณไม่มีการครบเพื่อนดีไม่มีกัลายาณมิตรไม่ได้คบกับสบุรุษแต่ถ้าบอกว่าเอื้อเฟื้อเชื่อฟังกันอ่าคนนั้นเป็นเพื่อนเราคือเพื่อนเนี่ยนะก็ต้องเอื้อเฟื้อกันใช่ไหมถึเงเรียกว่าเป็นเพื่อนกันได้เป็นมิตรกันได้แต่บอกว่ามิตรพูดอย่างไรไม่เอื้อเฟื้อกันเนี่ย อันนี้มันไม่ใช่มิตรกันละฟังกันยุ่แต่ว่าไม่เชื่ออันนั้นไม่ใช่มิตรแต่ถ้าฟังกันแล้วเอื้อเฟื้อเชื่อฟังอันนี้เป็นมิตรกันมีกัลยาณมิตรครบกัรสัตบุรุษแล้วจะได้มีการฟังธรรมคือบางคนเสียงมันเข้าหูอยู่ก็จริงนะแต่ไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีการฟังธรรมเสียงเข้าหูอยู่แต่ว่าไม่รู้มันทะลุหายละลายไปตรงไหนแต่ถ้าเอื้อเฟื้อกัน เชื่อฟังกันได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันอยู่ได้มันอยู่ได้ไ ด, ได้ฟังรรมะแล้วจะมีความศรัทธามีความมั่นใจได้ข้อมูลดีๆได้ตัวอย่างที่ดีๆได้ประเด็นได้สิ่งที่จะนำไปทำนำไปปฏิบัติได้ตรงนี้แหละคือศรัทธาทรมบุฟังคือศรัทธาเราเอื้อเฟื้อเชื่อฟังกันมีมิตร มีการฟังทำแล้วจะทำให้เกิดความมั่นใจพอมีความมั่นใจมีประเด็นมีข้อมูลที่นำไปปฏิบัติได้เนี่ยนั่นคือการโยนิโสมนสิกานั่นเองมีการใกล้กรนโดยแยบกายแล้วพอมีการใกล้กรนโดยแยบกายเห็นประเด็นที่จะนำไปปฏิบัติได้จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะตั้งสติ ในเรื่องราวที่เราจะนำไปปฏิบัตินั่นแหละในเรื่องราวที่เราจะแก้ไขทำให้ถูกต้องในระหว่างวันนั้นเพะเรามีการตั้งสติสัมปชัญญะในเรื่องราวที่เราจะทำให้มันดีขึ้นทำให้มันถูกขึ้นทำให้มันสูงขึ้นตรงนี้คือการตั้งสติขึ้นหรกมีการตั้งสติขึ้นก็จะมีการสารวมตา หูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเป็นการสารวมอินทรีย์พอเรามีการสารวมอินทรีย์ดีแล้วการที่จิตใจของเราจะไปปรุงแต่งออกไปเป็นทางความคิดความคิดนั้นก็จะได้รับการรักษาเป็นความคิดที่ดีเป็นสุจริตทางใจการที่จิตนั้นจะปรุงแต่งออกไปเป็นการพูดการพูดนั้นก็จะเป็นการพูดที่ดี เป็นความสุจริตทางวาจาจะพูดอะไรก็ระมัดระวังจะคิดอะไรก็ให้รอบคอบจิตนั้นจะปรุงแต่งออกไปเป็นการกระทาทางกายการกระทำทางกายที่เป็นกายะสังขานั้นก็เป็นสุจริตทางกายอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลเรื่องของทางกายและวาจาอยู่ในกรอบขอบเขตของสัมมาสังกัปปะเรื่องของทางความคิดมีการคิดดีพูดดีทําดี เป็นสุจริตสอย่างพอเรามีสุจริตสอย่างในระหว่างวันแล้วอันเป็นผลของการที่เรามีการสํารวมอินทรีย์ตั้งสติขึ้นเพราะได้มีการโยนิโมสมนัสิีการมีการฟังธรรมแล้วเนี่ยระหว่างวันเราทำดีแล้วเราสามารถที่จะละเจ้านิวอนมีความง่วงซึมมีความขี้เกียจขี้กร้านทำให้เวลาที่เราจะลุกเนี่ยมันลุกยากยาก เราสามารถที่จะละตรงนี้ได้ถ้าในระหว่างวันของเรามีการคิดดีพูดดีทำดีเป็นสุจริตสามอย่างเรามีการทำดีรอบครอบเข้มงวดอย่างสม่ำเสมอในระหว่างวันเวลากลางวันไอตอนจะลุกจะตื่นเนี่ยั้งวังมันไม่ยากมันไม่ยากเราสามารถที่เมื่อรู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็ลุกขึ้นเลยหรือเราจะฝืนก็ได้ เผลนขึ้นตืรนขึ้นเผลนขึ้นเตืรนขึ้นแล้วคุณกำจัดอาหารของเจ้าอาวิชาทันทีกำจัดอาหารของความที่จะให้เป็นคนมีธาตุทึบไอธาตุที่มันทึบในธรรมวังมันจะทําให้ไม่คมมันจะทําให้ทื่อมันจะทําให้ไม่สว่างมันจะทําให้มืดเราจะให้มีความคมเหมือนกับมีดคมคมให้มีความสว่าง เหมือนกับดวงไฟที่โชคช่วงได้เนี่ยให้ตื่นขึ้นแต่จำฝั ง, งตื่นขึ้นอย่ามัวแต่หลับไหลการตื่นขึ้นนั้นคือตื่นด้วยสตินั่นเองให้เราตั้งสติของเราไว้อยู่ในท่าไหนอิริบทไหนไม่สําคัญแต่ถ้าอยู่ในอิริยาบถนอนแล้วมันจะลืมมันจะเผลอให้ลุกขึ้นนั่งจะ้ะให้เป็นผู้ที่มีกายตรงการที่มีกายตรงคือมีคอตรงมีหลังตรง อันนี้จะเป็นผลดีต่อการทำสมาธิในระยะยาวเราตั้งกายตรงขึ้นแล้วให้ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าสตินี้คือการระลึกได้พระพุทธเจ้าให้ความหมายคือบทบัญญัติเอาไว้ของคำว่าสติเนี่ยคือระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้เราจะนึกถึงเรื่องในอดีต นึกถึงเรื่องในอนาคตนึกถึงคนนั้นคนนี้นึกถึงหน้ามาดาบิดานึกถึงเบเลโทรัพท์พวกนี้เป็นการระลึกได้เป็นสติทั้งสิ้นเลยเราจะทำสตินี้ไม่ใช่สติธรรมดาธรรมดาแต่ให้เป็นสัมมาสติเป็นความระลึกชอบที่มันดีงามถูกต้องระลึกแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางที่พาไป สู่ความดับไม่เหลือของเจ้าตัญหาได้สิ่งที่จะให้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติขึ้นได้ในตัวฝังมีอยู่หลายอย่างเช่นเรานึกถึงเออวันนี้จะใส่บาตรอะไรวันนี้จะไปทําบุญให้ทานที่ไหนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจาักาะนุสติหรือเราอาจจะนึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ท่านได้ล่วงลับดับขันไปแล้วท่านมีความดี มีศรัทธาบ้างมีศีลบ้างเรานึกถึงคุณธรรมของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วมีศรัทธาศีลตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเทวตานุสติคือการที่เราระลึกถึงคุณความดีของบุคคลที่ถ้ามีคุณธรรมคือศีลศรัทธาจาระปัญญาเป็นต้นเนี่ยแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวตานุสติหรือในขณะที่เราระลึกถึง เรื่องการจะไปให้ทานที่ไหนใส่บาทอะไรนึกถึงเรื่องของคุณธรรมของบุรภาชนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเราก็มารู้ลมหายใจไปด้วยอย่างเงี้ยการรู้ลมหายใจนั้น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นอนาปาณาสติหรือบางท่านอาจจะนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านมีลักษณะมหาบุรุษ32บสองประการอย่างไรอย่างไรนึกถึงการที่ท่านมีคุณ มีความเป็นอาราันตะคุณมีความกัลณาที่คุณมีปัญญาคุณอย่างไรอย่างไรอันนี้ก็เป็นพุทธาโดยสติบางคนอาจจะนึกถึงสังเวชนิยสถานสี่ที่ได้เคยไปมาเยือนมาอันนี้ก็เป็นพุทธาโดยสติไม่ว่าเราจะเจริญสติแบบไหนทุกฝังให้เราดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้านี้ คือตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นนี้คือให้มันเป็นหลักเป็นประธานได้ไม่ใช่ว่าทำแบบจับจดแล้วก็ฟุ้งไปอีกล้มไปอีกกรรมสติในตาบุังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้กับเรื่องของเสาเป็นเสาที่มัน่นคงปักเอาไว้บนดินที่เขาถมไว้อย่างดีปักไว้ลึกด้วย คือถ้าเราเปรียบเอาไม้ไผ่ซีกเล็กๆลำเล็กๆมาปาักไว้บนแกลบหรือบนรามข้าวเนี่ยปักไว้ก็ไม่ได้เลืกอะไรปักไว้ตื้นๆไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปจับมันผูกเชือกอะไรไว้แค่ลมพัดบางดีมันก็ลมแล้วแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเสาที่เป็นเสาหินทั้งแท่งยาว16ศอก เส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งอกเป็นเสาหินตั้งแท่งนะไม่มีรอยต่อเลยนี่เสาแบบนี้เขาก็ฝังลงไปในดินดินนี้ก็เป็นดินที่แน่นด้วยขุดไว้ลึก15บ้าอกโผล่ขึ้นพ้นดินแค่ศอกเดียวโผล่ขึ้นพ้นดินศอกเดียวแล้วก็ถมดินอย่างแน่นด้วยทำมุม90องศากับพื้นดินหัวเสานี่เขาก็เจาะรูวไว้ เอาเชือกปานหรือว่าโซ่คล้องเอาไว้ไว้สาหรับที่จะผูกกับสัตว์มีช้างบ้างมีเชือกที่จะไปขึงต่อทำผูกทำเต้นหรืออะไรต่างๆเนี่เสาที่เป็นเสาหลักขนาดนี้จะมีความมั่นคงลมมันจะพัดมาทางไหนจะเอาช้างมาดึงรั้งสี่ตัวห้าตัวก็ตามเสานี้ก็ยังไม่ไหวติ่งยังมั่นคงอยู่ ลักษณะของสติที่เราตั้งขึ้นดัมหวังดัมรงขึ้นไว้เฉพาะหน้าการตั้งตรงนี้แหละคือการที่เราทําให้มันเหมือนกับเป็นเสาอินทขีดนี้เป็นเสาหลักตรงนี้ให้มันมีความมั่นคงให้ได้ประเด็นมันคือตรงนี้แหละดัมหวังเวลาที่เราฝึกสติเนี่ยบางทีมันก็เผลอเผลอไปคิดระวังให้ดีนะไอ้ว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิด อะไรทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องไม่ดีไปหมดเพราะว่าถ้าเรามารู้ลมหายใจอย่างนี้นะอันนี้เป็นนาณนาปัญสติใช่ไหมถ้าในขณะที่เรามารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยเราอาจจะไปคิดว่าวันนี้ฉันจะใส่บาตรอันนี้นะเออแล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะไปทําทานที่นี่อันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีนะคำวั ง, างการคิดว่าจะไปทําบุญใส่บาตรที่ไหนจะไปให้ทานอะไรอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะ จริงๆแล้วมันคือเป็นสติแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจากานุสติด้วยซ้ําเอาในขณะที่เรารู้ลมหายใจเจริญอาณาปานาสติเราไปคิดถึงเรื่องจะไปทําบุญที่ไหนให้ทานอะไรอันนี้ก็เป็นจากานุสติมันก็ไปพร้อมกันมันก็ไปด้วยกันอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าโอ้ฉันคิดแค่ฉันจะไปให้ทานที่ไหนเนี่ยเลยมาเมาว่าเป็นความฟุ้งซ่านไปไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะว่าถ้าตราบใดที่ เรายังอยู่ในสติอ่ะยังเป็นเรื่องราวที่จะทำให้มีการตั้งขึ้นได้ เ, เป็นสติสังสินไม่ใช่ความฟุ้งช่านไม่ใช่เรื่องบ้าบออะไรเออถ้าบอกว่าไปคิดเรื่องที่ว่าจะไปกินอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็จะแหมไปโจ้ข้าวต้มหรือจะไปฟาดสิ่งนี้กินสิ่งนั้นอานี้มันเริ่มแหวกแนวไปละนอกแนวไปละแสดงว่าฟุง้งซ่านไปละ เราก็ต้องกำจัดความคิดเหล่านั้นที่ไม่ดีนะความคิดที่ดีๆเนี่ยเอาไว้ได้หรือบางคนจะเดิญพุทธานุสติเริ่มต้นโดยการนึกถึงคำพูดโตพูดโตอย่างนี้ก็ตามเถอะคือเพราะว่าเวลาที่เราเจริญพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็หลากหลายอย่างที่ว่านึกถึงลักษณะมหาบุรุษ32มสประการเป็นต้นนึกถึงสถานที่ที่เราเคยไปเยือนมา สังเวชนิสถานสี่นึกถึงคุณงามความดีของท่านมีประการต่างๆเนี่ยบางทีมันก็คิดเลยเถิดไปเรื่องอื่นอย่างเช่นว่าถ้าเรานึกถึงสังเวชนีสถานสเป็นต้นเนี่ยบางคนเคยไปมาบางทีความคิดมันก็เลยเถิดไปถึงว่าโอ้ขอทานเป็นอย่างงี้โอ้เข้าห้องน้ำเป็นอย่างนั้นแะมีความลำบากตรงนั้นตรงนี้อา้าวแสดงว่าความคิดนี้เลยเถิดไปละ สิทไม่ได้ส่งไปถึงพระพุทธเจ้าล่ะเลยไปเรื่องอื่นละก็ต้องเริ่มกลับมาตั้งใหม่ตั้งใหม่ลมหายใจนึกถึงอยู่ไปคิดว่าจะใส่บาตรอะไรที่ไหนอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่พอมันคิดเลยไปถึงว่าเออฉันก็จะไปกินอันนั้นแล้วก็ต่อด้วยอันนี้อนนันเลยเถิดไปแล้ะแต่ถ้าเลยเถิดไปแล้วรู้ตัวแล้วเนี่ยให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ให้ตั้งสติขึ้นใหม่เช่นถ้าลมหายใจ ก็ให้มารู้ลมหายใจใหม่ไม่ลืมหลงลมหายใจตั้งสติขึ้นใหม่โดยการใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจไปถ้าคุณจะเริญพุทธานุสติแต่คิดเลยเถิดไปแล้วถึงเรื่องขอทานเรื่องห้องน้ำเรื่องขยะเรื่องผู้คนอ้อยเม้นส์รกบบการเดินทางเอาเลยเถิดไปแล้วเลยเถิดไปแล้วกลับมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ก็ให้เริ่มด้วยคำพุทโธพุทโธนะเริ่มต้นที่คานี้ เริ่มต้นที่คำนี้นึกถึงคำว่าพุทธโธพุทธโธอยู่กุณของพุทธโธเอามาไว้ในใจอันนี้เป็นการเริ่มต้นในการเจริญพุตตานุสติให้เราเริ่มต้นนะํามวังเริ่มต้นตั้งขึ้นใหม่เพราะว่าทุกครั้งที่เราระลึกได้และเราเริ่มต้นใหม่ก็ว่าเริ่มต้นใหม่นี่นะคือทำซ้ำทำยำ้ทำทําให้มันมีสติตั้งขึ้นเราจะมีความแข็งแรงขึ้นมาในเรื่องของสติขึ้นได้ อย่างกวลาที่เด็กอายุประมาณครึ่งขวบๆหนึ่งเขาเริ่มฝึกเดินเนี่ยเขาก็จะล้มนั่นแหละเป็นธรรมดาล้มแล้วเขาทำยังไงเขาก็ลุกขึ้นใหม่ตั้งขึ้นใหม่เขาจะลุกขึ้นยืนขึ้นไม่ได้เลยนะจำวังถ้าบอกว่าเขาไม่ล้มลงก่อนล้มลงกี่ครั้งก็ลุกขึ้นเท่านั้นครั้งนั่นแหละเราก็บวกหนึ่งไปเพื่อที่มันยืนได้เดินได้ ถ้าไม่ล้มสิมันจะไปลุกได้ไงคนมันจะยืนขาแข็งอยู่ตลอดมันไม่ได้เพราะว่าขามันยังไม่มีกําลังขามันจะมีกําลังได้ก็ต้องฝึกลุกขึ้นมาจะลุกขึ้นได้ก็ต้องล้มซะก่อนเหมือนกันเวลาที่สติของเราจะตั้งขึ้นได้เป็นหลักได้บางทีมันก็เผลอเปลินไปอันนี้มันธรรมดาบางทีเราอาจจะไปคิดนึกเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างอาจจะลืมหลงสติไปบ้างเอาแต่พอระลึกได้เมื่อไหร่ปุ๊บ เราก็ตั้งสติขึ้นทำใหม่เริ่มใหม่ใ้การกระทำตรงนี้ทำบังจะทำให้สติมีกำลังเป็นอย่างเด็กที่เขาลุกขึ้นฝึกลุกขึ้นจากการที่เขาลม้มลงเขาลุกขึ้นกี่ครั้งนึ่งก็จะเป็นความแข็งแรงที่เขาจะสะสมให้กล้ามเนื้อนั้นมีกำลังขึ้นมาได้ลุกขึ้นบ่อยครั้งมันเมื่อยนักเอาก็นั่งพักซะก่อนนั่งพักแล้วพอหายเหนื่อยก็ลุกขึ้นใหม่ฝึกลุกฝึกนั่ง ล้มแล้วกว่อ็ลุกไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยก็จะไม่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขึ้นมาได้เราพยายามตั้งสติขึ้นเผลอเพลินไปบ้างเอาก็ตั้งขึ้นใหม่ทําขึ้นใหม่อาจจะง่วงนอนบ้างเผลอบ้างขี้เกียจบ้างเอาก็ทําขี้เกียจก็ทํพยาพยันก็ทําทําอะไรฝึกสตินี่แหละถ้าใช้พุทธานุสติก็เริ่มต้นด้วยคาว่าพุทโตถ้าใช้อานาปานาสติ ก็เริ่มต้นด้วยการนึกถึงลงหมหายใจเรานึกถึงทำไปอยู่อย่างนี้ทำหวังสติของเราเนี่ยจะมีกำลังขึ้นมาจากที่มันเป็นเหมือนไม้ซีกไม้ลวกท่อนไม้เล็กๆธรรมดาปักไว้บนกแกลบปักไว้บนทรายปักลงไปก็ไม่เลือกหรอกแต่ถ้าเราฝึกที่จะตั้งสติอยู่เรื่อยๆลืมสติเพลสติก็ไม่ท้อถอยไม่หมดกำลังใจ จะมาท้อว่าโอ้ฉันเผล อ, อแล้วฉันคิดบ้าบออีกแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นนั่นเป็นนิวร์เป็นความไม่พอใจเป็นความพยาบาทมันจะเป็นการเพิ่มอาหารของเจ้าความมืดเพิ่มอาหารของเจ้าอาวิชชาเพิ่มความมึนทำให้ยิ่งทาตทึบลงไปอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ให้ตั้งขึ้นใหม่เผลอเปลยแล้วลืมหลงสติไปแล้วก็ระลึก ตั้งสติขึ้นใหม่อีกลมหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้เอามันสักอันใดอันหนึ่งที่จะทําให้สติของเรามันเกิดขึ้นมีขึ้นณนะขณะนั้นเราไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ต้องหวังว่ า, นาอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะการปฏิบัติธรรมมันเอาตรงนี้ถ้าในขณะนี้วินาทีนี้เรามีสติตั้งอยู่เนี่ยอยู่กับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับพุโทโธจะอยู่กับ การให้ทานจะอยู่กับศีลจะอยู่กับธรรมะหรือจะอยู่กับสังฆคากรามมีสติตั้งขึ้นแล้วเอาแค่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เอาตอนนี้อดีตไม่ต้องคิดถึงเพราะมันผ่านมาแล้วอ น, นาคตก็ยังไม่ต้องไปดูมันเพราะมันยังไม่มาเอาตอนนี้ถ้าตอนนี้เรามีสติอยู่ไม่ลืมหลงเนี่ให้สืบต่อกระทำ การตั้งสติเนี่ยวไว้ให้มันดีต่อไปแน่นอนวาบางทีมันก็จะมีเรื่องมาล่อลวงมาฉกฉวยมาให้เราเปลอเปลินไปเหมือนยามเฝ้าประตูนั่นแหละท่านฟังเอ้ยบางทีมีคนเข้าคนออกไอ้คนนี้มีท่าทางพิรุษไหนเดินตามไปดูหน่อยอา้าวมันจะเปลอยหลุดออกจากที่เราจะต้องอยู่ประจำะก็ต้องระวังให้ดี เพราว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ทตำรวจฝังแม่มันมาหลากหลายมาล่อยามให้เหลอไปทางนู่นอีกทางหนึ่งก็โฉกก็ขโมยไปเราต้องรอบคอบรัดกลุ่มไม่ละหลวมตำรวจฝังการตั้งสติเนี่ยต้องครบถ้วนรอบคอบทุกด้านไม่เผลอแต่เป็นยามเป็นนายทวารเฝ้าประตูก็ต้องฉลาดหน่อยอย่างโง่อย่าหลงกลของโจรกิเลสอวิชชาตัณหาในตำฟัง มันเป็นเหมือนโจนที่จะมาคอยย่ำยีฉกขโมยกุศลธรรมต่างๆในใจของเรามันจะมาหลอกล่อลอกขโมยสิ่งที่เป็นความดีในใจของเราเราจะต้องระวังเหมือนกับคนพลแม่นปืนที่เวลาเขาเล็งฆ่าศึกเนี่ยนะพลแม่นปืนที่เขายิงปืนทางไกลเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่าสไนเปอร์เนี่ยเขาจะเล็งไว้อย่างดีเลย สตรูอยู่ตรงไหนมันจะบุกเข้ามาเมื่อไรจะยิงมันทันทีเหมือนการเวลาที่เราตั้งสติขึ้นในตําฝังให้จ่ อ, อไว้ให้เพ่งไว้ให้ตั้งสติไว้จดจ่อแน่วแน่เข้มงวดรัดกุมสม่ำเสมอไม่ละหลวมดูซิมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนสติเนี่ยอยู่ตรงไหนตั้งจิตเราวไว้ตรงนั้น จิตเราอยู่ที่ไหนสติอยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังจดจ่อไว้อะไรมากระทบตรงนี้เราไม่เอาเราวางสิ่งอื่นทั้งหมดแม้กระทั่งเจ้าจิตที่อยู่กับสตินั้นก็ตามให้เราพิจารณาดูให้ดีเพ่งพิจารณาให้รอบกอบไม่ต้องบังคับแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติ ทำอย่างสบายๆแต่มีการจดจอ่อมีการพิจารณาให้ ร, บรอบคอบว่าจิตของเราเนี่แหละตั้มบังวังที่เราตั้งสติขึ้นอาไว้เนี่ยเป็นจิตที่บางทีมันก็ไปรับรู้เรื่องราวอื่นๆต่างๆรับรู้ทางหูบ้างเป็นเสียงที่ได้ยินอยู่นี้รับรู้ทางกายบ้างเป็นความรู้สึกหนาวบ้างร้อนบ้างเจ็บบ้างสบายบ้างทางกาย เป็นเวทนาเป็นวิญญาณเดี๋ยวไปรับรู้ทางความคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นสัญญาปรุงแต่งต่อไปเป็นทางวาจาทางกายบ้าจงจิตนี่แหละที่เปลี่ยนแปลงไปจากอย่างนี้จิตนี่แหละที่ไปทำกิริยาในการรับรู้เป็นวิญญาณจิตนี่แหละที่ไปทำกิริยาเป็นการรู้สึกกือเวทนา จิต น, นี่แหละที่ไปทำกิริยาเป็นการปรุงแต่งคือสังขารจิต น, นี่แหละที่ไปทำกิริยาเป็นการหมายรู้คือสัญญาจิต น, นี่แหละเติมบุฟังที่มีการปรุงแต่งออกไปตามกรรมเป็นเรื่องของรูปออกมาทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีชื่อนี้มีโคดนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จิต น, นี่แหละเติมบุฟัง ที่เปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนรูปได้ดับได้เกิดได้จางคลายได้เข้มข้นขึ้นมาได้มีเหตุปัจจัยของมันปรุงแต่งเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นจากภาษาที่มันกระทบบ้างจากนามรูปบ้างจากอาหารบ้างมีอาหารมันก็เป็นเหตุของรูปทาให้รูปร่างเราเป็นอย่างนี้มีภษา ก็เป็นเหตุของความรู้สึกคือเวทนาเป็นเหตุของสัญญาคือความหมายรู้เป็นเหตุของสังขารคือการปรุงแต่งมีนามรูปก็เป็นเหตุของวิญญาณที่จะไปรับรู้ก็จิตนี่แหละทำฝังเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นตามเหตุปัจจัยต่างๆที่มากระทบถ้าเหตุปัจจัยเป็นนามรูปจิตมันก็เป็นวิญญาณขึ้นมาถ้าเหตุปัจจัยเป็นผัสสะ เดี๋ยวมันก็เป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเป็นความคิดบ้างถ้าเหตุปัจจัยเป็นอาหารเดีจิตมันก็เป็นรูปบ้างออกมาจิตนี้สมมบูฟังมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของโลกเขามันเป็นของสิ่งที่มากระทบนั่นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราพิจารณาในดีนะพิจารณาในดี จีโก้เราไม่ใช่ตัวเราจีโก้เราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็วางเขาเสียเราก็ปล่อยเขาไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาพิจารณาดูให้ดีธรรมวั ง, งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะลืมตาก็ได้เราจะหลับตาพิจารณาก็ได้ให้เห็นให้ดีตั้งเพ่งดูไปให้รอบข้อรัดกุมวันนี้เวลามดแล้วมวัง ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูญพภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกพบกาก็ไม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพัน์